ซึ่งกัดกร่อนจิตใจเขาพ่อแม่ของเพื่อนที่จมน้ำตายอาศัยอยู่ข้างบ้านเขาเติบโตขึ้นมาด้วยความํำนึกว่าเขาเป็นผู้รากชีวิตลูกชายของท่านทั้งสองไปและแล้วช้าวันหนึ่งเมื่อเขาได้เล่าเรื่องนี้ให้อาตมาฟัง